จบเสียงอ่านชีวิตหลังจะตาย the life beyond death การเข้าใจจนยอมรับว่าตายแล้วไม่สูญเป็นความรู้ขั้นแรกที่จำเป็นและสำคัญก็จริงแต่จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้ารู้แล้วไม่ฝึกฝนพัฒนาจิตฝึกเจริญสติให้รู้แจ้งเห็นจริงตามคำสอนของพระศาสดาจนเห็นว่ากายใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนซึ่งเป็นหลักสาคัญเป็นบุญสูงสุด ที่ทำได้ในชีวิตประจำวันแม้ขนาดํำลังยุ่งกับการงานก็ตามแนะนำให้ลองฟังในหัวข้อตาสว่างรับอรุณโดยคุณดังตรินซึ่งจะเป็นบทความสั้นๆแต่แฝงไปด้วยหลักสำคัญในการเจริญสติและการแก้ปัญหาชีวิตสารพัดด้านด้วยหลักกรรมอันจะทำให้มีแนวทางเพื่อพัฒนาตนให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมได้ง่ายขึ้นนะครับหลายเรื่องที่เราอาจมองข้ามไปว่านม่น้ามีปัญหา หรือไม่ส่งผลเสียมากมายแต่ท่านอธิบายชี้แจงอย่างเป็นเหตุเป็นผลจนเกิดตาสว่างในทางโลกและทางธรรมสมดังชื่อหัวข้อตาสว่างรับอารุณจริงๆสำหรับท่านที่สนใจในเรื่องภพชาตินั้นขอแนะนำเพิ่มเติมให้ฟังอีกหลายเรื่องซึ่งชมรมผลดีได้จัดทำไว้แล้วจะทำให้ท่านเข้าใจเรื่องภพชาติได้ถูกต้องและหลากหลายแง่มุมมากขึ้น โดยเฉพาะงานของสํานักค้นคว้าทางวิญญาณโดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณและของครูบาอาจารย์ท่านอื่นในด้านวิชาการทางฝ่ายพุทธเพื่อให้รู้ว่ามีจริงแค่ไหนและคนเรียนรู้อย่างไรไม่ให้เกิดผลเสียอย่างเช่นคําสอนของสมเด็จพระพุทธโคาษาจารย์ปออประยุตโตในเรื่องกรรมเรื่องอิทธิปาฏิหารและเทวดาและเรื่องไสยศาสตร์ซึ่งท่านได้อธิบายไว้ในเชิงวิชาการทั้งสําหรับคนที่เชื่อและไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ อันจะทำให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายและอยู่ในเส้นทางแห่งพุทธธรรมอย่างแท้จริงท้ายที่สุดนี้ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนส่งเสริมชมรมผลดีทั้งทางตรงและทางอ้อมอันเป็นผลให้สามารถเผยแผ่ธรรมหลากหลายแนวทางออกเป็นในวงกว้างหลายช่องทางเพื่อให้คนในหลายระดับได้เลือกศึกษาเหมาะสมกับจริตและระดับจิตซึ่งเชื่อว่าจะส่งให้ผู้ฟังได้เกิดสัมาทิฏฐิ เกิดเป็นอริยทรัพย์สะสมเป็นวิบากที่จะติดตามคอยส่งผลเป็นความสุขความเจริญให้อีกหลายชาติในภพหน้าอันยาวไกลต่อไปธรรมะเป็นสิ่งประเสริฐสูงสุดการให้ธรรมะจึงชื่อว่าเป็นการให้อันสูงสุดเช่นกันขอทุกท่านร่วมอนุมโมทนากับเจ้าภาพผู้ร่วมจัดทาอีกดังต่อไปนี้ครอบครัวเงินถาวรชัยเชษสุ ข, ขุมการชนะอ้อยพรจึงวิวัฒนาพร พัทธรีละอเลิ่ลัคณามุติตาจินนากรสุดดาวรัฐอำไภัยโรจนะวงศ์ช่อทิพนิติประภาสำรวยพุ่มพวงกิติพรตรีสุภการนาตยาศีโพพรสุรีพัฒพึ่งไทยปัญญาโกจันวัชราพรยิ่งสุมนลจิราพรข้าสุวรรณอรวันฟ้ารักษ า, กษาปราริตาชนะกูลอนุชาเมาหวนิทธิโชติราภาสกุลสุภัตราปัญญารัตนคุณากร ก น, AN, น, นิยาบุญธกานนทพัชธาวินกมลพัทครอบครัวขะหาสุวรรณครอบครัวงามสุริยพงศครอบครัวสินสมบัติวิชาหมนทาทิพกุลอัชรากรพัทสุวรรณนาคารประจวบคงอินและอีกหลายท่านซึ่งไม่ประสงค์ออกนามขอทุกท่านเจริญแต่ในทางที่เป็นกุศลยิ่งขึ้นไปสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเผยแพร่ต่อได้ทุกช่องทางไม่ต้องขออนุญาต แต่เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้นอริยะคุณชมรมผลดีมีนาคมพุทธศักราช2567